โดนแดดเพียงเพียงก็ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่อะไรเลยร้อนไม่หนาวไม่หนาวไม่อะไรเลยเจ็ดเป็นสกว่ะมันก็มันก็เย็นเย็นดีมันก็มีอะไรสุกอะแต่หัวดูก็ฟุ้งไปเรื่อยเลยก็คือแบบมันดีอ่ะแต่เอ๊มันรู้สึกกระตุ้นๆไปหน่อยอ่ะเมื่อใครพูดอะไรมาเนี่ยไอ้ไอ้กล่องนี้มันไม่รับเนะมันทะลุไปเลยไอ้ไอ้เทปเทปที่จะรับเครื่องอะที่เขาคุยกันนะไม่ไม่รับมันมันทะลุไปเลย ที่หูนะ่ะคือเขาพูดอะไรมามันไปเลยทันไม่เก็บทัน ไ, ไ, ไม่เก็บก็เดินเดินไปเรื่อยดูก็ไปที่วิหารร้อยเมตรไปหน้าวิหารร้อยเมตรว่าเดี๋ยวจะต้องกินน้ำมนต์นหน่อยเพราะมันเบอร์มากแล้ ว, วะลจะไปซื้อน้นมนต์แล้วก็จะไปกราบหลวงพ่อด้วยว่าไ อ, าอมันมันเขาว่าทำกรรมฐานเค็งๆเดี๋ยวมันเป็นวิทปรารถนหรือเปล่าแหมคื ที่ต้องกินน้ำมนต์สั่งน้ำมนต์จะไปหาน้ำมนต์กินก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไปนั่งหนูก็นั่งนภาพระาตนะโอ้โหหนูจะไปพระจุฬามนีงให้ได้ลวความตั้งใจอยู่แล้วยังยังยังไม่เห็นเลดบต้องเห็นให้ได้แล้วแล้วทีี้หนูก็ไปกินนมนต์ละเขายังไม่เปิดเลยหนูก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ก่อนแล้วทีนี้หนูไปท่านามาพระาตอ เหมือตัวเหนืเนีขึ้นไปข้างบนอ๋อนี้ตอนแรกรอยไปเป็นท่ามาที่มันก็เป็นสีขาวพอไปถึงหน้าสังเกตองคตผมเป็นพระพอเราเป็นพระเป็นพระนี่ใช่ตัวเราหรือเปล่าเป็นพระเป็นเป็นพระแล้วกับสังเ็จองคตผมนะนี่สว่างจ้าอย่างกลางวันเลยนะมึงสญ่างแบบตอนวันเลยอ่ะรู้สึกว่ากัอ่ากาบสมงเ็จองคตผมมีเสียงเหนือว่าอ่าว่าไงบุญใหญ่ลุกบนใหญ่บนใหญ่ลุกบนใหญ่ ปุ่นใหญ่ปุ่ใหญ่ลูกบุ่ใหญ่ที่อย่างเงี้ยแล้วทีนี้หนูก็ท่องอนโมตัสสะสามจบแล้วหนูก็ท่องอิติปิโสแล้วก็อิติปิโสใส่เส่อีนะพอหนูก็บอกข้าพระเจ้าอุวาลีจันลงขอลาพระจุภูมิเป็นสาวพระจุภูมิตั่งใจบัตรนี้เป็นต้นไปแต่ในจิตหนูว่าหนูเป็นพระนาคามีตอนตอนช่วงนั้นนะอ่าตอนตอนนั้นนะหนูก็ ปรกาศว่าละพระท่านให้ถอนว่างไงให้อนว่างไงโอเสียงสวดมนต่ะแบบสวดหูไม่รู้ว่าคาถาอะไรหนูก็ฟังไม่ออกเขาไม่ใช่แบบไม่ไม่ไมไมสนใจอะคื อ, อได้จะมองว่าตัวเราใช่ใช่เรารู้ต่อทำไมเป็นพระก็เลยลาพุทธภูมิาลารุทธภูมิ า, าไปไหนเป็นสาวว่วภูมออยางดียังดียังไม่ไ ด, ด้ไปอย่างดี ลาพุทธินเป็นสาวกคุตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็กราบท่นแต่ท่านสยางจ้าเลยนะสยางมากๆเลยมีให้อวอะไรมตอนไม่ไม่มีเลยไม่ไม่มีมีแต่ว่าสิดว่าคือคือว่าความว่าประมาทตอนนั้นนะอย่าประมาทอย่าประมาทใหญ่ใหญ่ใหย่าทแล้วทีนี้ก็กราบแล้วก็ลงมานะลงมาลงมาแล้วประตูเปิดยานละมล เออย่างอย่างพอพอลงมาเสร็จหนูว่าท่างธรรมทานนะพอหนูหลักตานี้มีหมามาตัวหนึงเอาแล้วหมามาตัวหนึ่งก็เป็นหมาขี้เลื้อนเด้วยไม่เลื้อนหมาขี้เลื้อนหลักตานะาพขาหนูอยู่ในช่วงสมาธิกรลอด อ, อันนี้แล้วหนูเห็นว่าเขาใส่เสื้อคอกระเชา้าใส่ผ้าถุงผ้ลาลายเป็นผู้หญิงหมาตัวนี้นะอ่าเป็นผู้หญิงเห็นเมข้างในนะแล้วก็ผมเขาขาว ต่หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรนะก่อนนั้นหนูเห็นอย่งนี้หนูก็ลืมตาเห็นตาหมามาจริงว่าเออมาจริงหมาอยู่วิ่งจริงตอนแรกนั่งมีหมานี่ยเผลอๆพวกอีเราเห็นตอนแรกเราหลับตาอยู่หลับตาอยู่ภาวนาอยู่แล้วเราเห็นเขลืมตาที่หมาจริงๆจริงๆเลยหมาที่เลื่อนด้วยที่เลื่อนด้วยแล้วทีนี้หนูก็หลับอีกพอหลับอีกก็เจออย่างนี้อีงนี่หนูก็เออไอ้มนุษย์เรามันก็เกิดเป็นหมาได้เลย มนุษย์เราอ่ะอมันก็อยู่ในคาบหมานี่หว่า อ, อะไรหนูก็ไม่ค่อยสนใจนี่บอกี่วพ่อว่าตายจะเป็นหมาหมาเป็นคนกลับไปบนเนาะนี่เอเป็นหมาจริงนี่หว่า อ, อะไรอย่างี้เอข้างในก็มีผ้านะถ้าเราเห็นว่าเออผู้หญิงคนแก่อะไรเงี้ยแต่อยู่ในคาบหมานี่ก็เปิดพอเปิดเสร็จหนู ก, ก็เข้าไปกราบหลวงพ่ อ, อแล้วก็ซื้อน้ำมนต์อ่าซือน้ำมนต์แล้วหนูก็กินน้ำมนต์ด้วย ให้มันหายเบลอแบบให้มันหายแบบทรงอย่างนี้สักทีเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่เนีรู้ตัวเฮ้กินเนี่นี่เดินกลับไม่ได้แล้วเหรอทำไมอ่ะมันเบาจัดตัวเบามันมันเบามากมันมันเบาบอกไม่ถูกทีน้รูก็เลยเห็นรถจราจรอ่ะรู้ว่าขึ้นมารูก็ขึ้นมาแล้วแต่ไม่นั่งคนเดียวนะนี่เดินไม่ได้หัวมันจะทิ นั่งกลางเลยอ่ะ<ป>ขํางล่างเลยนั่งบนไม่ได้เห็นกุญแจหนวนั่งอนี่จิญแจหัวขึ้นไปขึ้นไปกาบไปกาบอะรไปกาบสังเก็จอากระถงโอ้ไปนี้ตลอดแล้วก็ลงพอถึงสิบสองไลน์แล้วหนูก็ลงรถหัวจ่ายเงินแล้วก็มาจะขึ้นช่วงแบบอย่างนี้ตลอดเลยแล้วท like like, like like. like. like like ีนี้ก็เป็นช่วงกรรมฐานหนูก็มาตัดเลยอย่างเงี้ยนะหนูก็เล่นอย่างลูกฟุตบอลอย่างนี้ก็แหละ ะแล้วก็เล่นเล่นอย่างนี้แหละมันมันเทิ น, นน่ะแต่นี้พอพอจะกลับบ้านก็มีเสียง อ, ยอีกคืนหนึ่งน ะ, ะคุณอู๋มีเสียงหวานมากเลยคุณอู๋โอ้โหไหนอยากพูดได้ไพูดไปได้เสียงอ่ะเสียงมาจากไกลเลยอือโ <h ook> อ้โหเทวดาเรียกเราคุณวิ เูยเกิดมาใครไม่เคยเรียกคุณเลยนี่หว่าโอเรียกเราคุณนะเรียกเราคุณอุบลอุกกาธาเอออุกกาาสียงเกันมากเลยเขาก็มาถามหนูว่าคุณอุบลีถ้าเธอจะเสียงท่านเพราะนะเพราะจับกิดจับใจเลยเสียงหวานมากไม่เหมือนเสียงเราไม่เหมือนเสียงททไม่ได้ก็ท่านก็เลยพูว่าคุณอุบลีพูดยาวนะพูดนิ่มแล้วบอกว่าถ้าเธอกลับบ้านอ่ะเธอจะรักษาสียแตกไหม ถ้าเธอรักษาสีลแปกฉันจะให้อะไรเธอถ้าเธอขอมานี่เอานี่แล้วโอ้โหถ้ากูจะขอบ้านทักหลังเงินสักก้อนพิษอย่างเงี้ยเออเงินก็จะเป็นการโลภอ่ารู้ตัวซะเลยอ่ารู้ตัวกูไม่ขอดีกว่าก็เลยตอบแบว่าอไม่เอาว่าี่อยู่แปลงนั้นข้าตาจนเดี๋ยวขายกินเองวางนี้เลยไม่ไม่ขอเลยบอกว่ารักษาสีลแปดมันไม่ได้หรอก ต้องรักษาสิห the yup. like oh, um, mm. ้าม uh ีล uh ูก no. si ีผัวสินแปดไม่ได้กลับไปบ้านต้งสิห้าแน่นอนเขาก็ย้ำเธอจะเอาอะไรมถ้าเธอรักษาสินตาบอกโอ้ไม่เอาไม่เอาสินแไม่เอาเอาสินห้่แล้วย้ำอีกสินตาจะเอาไหมถ้าเธอจะเอาเธอจะได้อะไรที่ไม่เอาเอสิหกลับไม่นสินห้าเงไอ้ที่เบรเบอร์หก็คลายนะคลายเหรอคลายลงพอคลายลงแล้วหนูก็ทุเราลงทุเราลง คือว่ายานนันนั้นก็เบาจะเป็นเป็นตัวเราละเป็นมีความรู้สึกว่าตัวเราเซนที่คือหนเมื่อคิดได้ตอนนี้ว่าเทวดาเขาสอบอารมณ์หนูถ้ากลับไปบ้านหนูสิ้นแตกหนูบ้าแน่เลยต้องบ้าแน่นอนเลยผมไม่ยุ่งกับใครเลยว่าไงเจ้าวาดเราบ้าแล้คนที่บานบ้าเออที่นั่นนั่นนะใช่โอ้เจ้าว่าก็รู้เหมือนกันนะเอออยู่ว่านก็รู้ แล้วนี้ก็ เ, เริ่มถือรำ ป, ประสิ์อะไรมาก็อามาไล่ถึง <39 S 2> สามเก้าสามเ้าแล้วเนี่ยอพ อ, อมาสามเก้าปีนี้หนูก็อยู่ป่าเลยหนู<ม>ลกป่าแต<อ>่กลัวผีถ้าตายนะลงป่าแลเราเนี่ยโอผีขึ้นจะมองเอตัว มันเป็นยังไงที้โกผีขึ้นสองเก่งขาดี้โกผีโกผีมากเลยมัไม่ใช่อะไรเห็นโปร่งนี่ศพกุ้งตาแต่แต่ความ้แบบโกผีมากเพื่อนเขาก็ยันก็ย้อยก็ล้มก็ล้มไม่ต่างใจแล้วนะไปป่าไผ่แล้วป่าไผ่มีคือแร่ที่หนีโลนะเด็กแต่งทุดนั่นเดิม่าสามคนเน่ยเขาก็ตาองออกมาพิธานะแต่งแบบทุดกุมาร่ะแต่งมีสินีอะไรสามคน เอวกแล้วก็มีผู้หญิงใส่ผ้าสบายใส่ชุดผ้าสบายเป็นเป็นเป็นคนมันหน้าเป็นคนอ่าตามาที่มอเลยโยมามามาที่มือสัพักนงตาเลยนนึตาเออนึกตายจะเห็นมยังเห็นฮะไม่ไม่ไม่เห็นเออลอไปไม่เห็นแต่แต่ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าแดงอยู่แตนไม้เห็นภาพนะนี้นูหลับไปไหนเจ้ที่มึงไปแะ ยังไม่ไปเออมึงก็มึนอยู่ผก็ให้มึงกนานๆก่อนแรไปสักทีมึงมึงมีตานาเคิดว่ไปแล้วหลับอีโอยยัยงเบื่อเนื้อเสียเยระังอย่าผ้าหลง่อนะนีนพูดเลยแต่แมระังอย่า้าหลง่อนะแต่แต่เขาก็ไม่เหยียบนเด็กอ่ะไม่เหยียบหรอกคือเขาวนไปวนมาอ่ะหรือว่าเหยียบเอาเอาผ้าหลวงพเอขูดอ่ะบ ก็ไม like ่ไปเขาเจบอกว่าเออถ้าไม่ไปเดี๋ยวพรุ hey, ่งน so ี้ขึ้นยีพาไล่อยู่ตึกดีกว่าไปตัวมึงไม่ไปกูจะไปแล้หนูจะไปตัวทนี้่าเขาเห็นมันจริงๆก็เดินกลับกันเดินกลับไปเลยหนูก็โล่งใจว่ากลับแล้วเอากลับเออกลับแล้วโล่งใจหน่อยแต่ก็เมินตายครั้นี้ก็ไม่ทําแำนะเดี๋ยวเจออะไรอีกโอไม่กลับไปแล้วไม่ทํานม้าปะทะแล้วหนูอะ พูททดีกว่านไม่เ <cry> ห er, ็นอะไรอ่ะเออเข้าใจอะีหลบว่าพูททสมมติว่ามันแอ่เห็นหรือพูดโทรทดีกว่าก็ไ้ไม่เห็นภาพไม่เห็นอะไรเลยพูโทรศัพทพโททหนูเาหลับไปหลับหลับชูว่าหลับนะแล้วไม่อะไรใช่มไม่ยังเห็นฝันอยเนี้ยเไม่ฝันเเป็นฝันเหอพูททเป็นฝันหาที่เป็ฝันที่ะเออฝันเข้ฝันเป็น แกมีบ้านมีอะไรนะมัมีคนเนี่ยใหญ่อะแบบแบบแปดสอกอะไรเงี้ยใหญ่รูปร่างใหญ่ก็อยู่กันเต็มเลยแล้วก็ดีใจตรงนั้นมักแขกนักอะไรที่ปะา้าเก่าดีกว่ี่นี่เหมอี่เรานาที่นีปะา้าเก่าแต่แรกเหมที่เราโผ ตาไหน้าอยู่ว่าเป็นปูนออโอสบายแล้วกูนอ น, นี่สบายที่ไหนได้ไม่ได้หลับยันแจ้งเลยไมไ่หลับเลยเป็นตาช้าเก่าดีกว่าเมื่อไรเราปพูดเธลยนะ อ, อนนราปดูตาช้าเก่าดี ก, กว่านกแฝกนกอะไร ต า, าตายกันมาหลายชั่วเลวยหลายหลยยุคหลายสมัยเลยโอ้โหป่าช้าเก่าดีหว่าลืมตาเลยหรือโอ้ <c oughs> ลืมตาเลยโหไม่ไหวไม่ไหวได้แล้วไอ้พุทโทก็ไม่ได้น้ำมันประพาต์ก็ไม่ได้ <c oughs> มันก็ทรงอารมณ์อยู่งั้นอ่ะ <c oughs> ม, อมันก็ทรงอารมณ์พอพอไอ้นั่นก็ไปเป็นวันทําอะไรกันแล้วแล้วเป็นวันศุกร์หนูเล่าเลยนะนี่เป็นวันศุกร์วันศุกร์ก่อนที่จะเป็นวันเสาร์นะ ทีนี้ดก่อนดตว็ลองลองอมเรียอลอง้อมเออลองอม่เดี๋ยวจะซ้อมมาเป็นกาลังสักหน่อยแไหนที่่าทีที่นี่ตอนตอนบ่ายพอนั่งกับใครก็ไม่ได้ปวหัวแบบมันมันมันรับเขาไม่ได้เลยอ่ะันมันแบบันมัน่ะตามเไม่ทันอ่ะเวลาเขาเหนื่อไปกนแล้วโอ้โหเรายัง พิจารณาอยู่เลยตัวร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ก็ซ้อมเอาว่าเดี๋ยววันเสาร์จะแต่แต่ปีนี้อยู่ที่หกปีที่แล้วกูจงไปปีนี้กูย่อนดีกว่า อ่าเดินเดินหน้าค่ะหนูก็ยกมิ้ไหว้่เฉยนะแต่ตับทางครั้งเดียวครั้งเดียวโอไม่การรถรถสับเอารถรถรถรถแบบมือปีกกายตึงไปให้ปีนี้เยอกลับบ่อยอ่าเลยีนี้ทำกาง่างเออทำทเบาๆเออม่ที่มาอะไรอ่าเพราะว่านี่ปีกายทำหนักก็ไม่ได้เลยลองทำเบาๆดูเออเผื่อจะได้เอเผื่อจะเผื่อจะได้ก็ทำเบาๆแบบนั้ เพื่อนคุยก็คุยตามภาษาเพื่นอนเวลาเลิกกับเพื่อนก็ภาวนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตต ก, ก็คุยนะเมื่อปีท้ายไม่เล่นคุยเลยอะ่ะก็เลยแบบมันหนักไปที<อ>ป น, นี้เอากับเพื่อนเลยคุยนะเล<อ>ยคุยกับเพื่อนหน่ะหัวล่อด้วยทีนี้ยิ้มมากทีนีเ้เขารู้สึกว่ายิ้มยมตอนแต่เมื่อปีสามสิบแปดหนูเจอเจ อ, เจอดวงตาพระองค์ตอนวาทิกนั่งหนูลืมไปว่า เวลาหลับตาหมือนจะเจอดวงตาพระพุทธเจ้าเห็นแบบอย่างนี้ย่ะใกล้ๆเลยนั่นแหละใกล้ๆติดกับตาเราเลยอ่ะนะแล้วก่อนที่หนูจะมานี่หนูก็ฝันว่าหนูขอหลวงพ่อหรือขอเพชรถึงพ่อหนูอยากได้เพชรเขาเคยได้ยินว่าหลวงพ่อว่าเพชรก็คือเพชรกวดก็คือกวดอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าหนูขอเพชรหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเขาก็บอกว่าเพชรหนูอยู่กับหลวงพี่อาจินฝากไวก่อน สองสองสองเมตรเพระอาจารย์กินอยู่เปล่าฟังดีาจารย์เพี่อาจารย์นะเพชรเพชออยู่ตรงที่กินสองเมตรสองเมตรนะแต่หนูก็มาคิดดูว่าคือลูกตาางๆเลยเพชรอันนั้นนะหนูว่าขึ้นก็เพิ่งเห็นไร่ก็จะเห็นภาพนะอะไรแล้วเี๋ยวพอหนูก็ทำแบบกลางๆเ่าวันศุกร์หนูก็ลองซ้อมดูนะหนูก็ว่าอม r m พระทาตนะหมอหมดปีขึ้นแล้วนี่ ลงภาวนานึกเดียวเลย ด, ลดีกว่าออปีนี้กูจับลมดีกว่าพอเล่นไปจับลมจับจับคือคือว่าเรจับลมนี่คือ ด, ดูลมก่อนนะ<อ>ดูลมก่อนว่ามันแล่นชั น, นแล่นลงสักพักหนึ่ง น, นะอพอมันลงตื้อหนึ่งจอกเลยเมือพอมันชันหนึ่งจอพะทะหรือว่าทำตามลมตามมันมันจะยาวมันจะสั้นหรก็ท่าตามมันะ่ะนำมาะพะทะนะ<อ>มันจะยาวลูกมันยังไม่ออกหนืก็ยังไม่ไม่ไม่นําพะทะ ทำมันออกมาเลยดูพระ้าตุเมื่อนั้นโอ้ยดูดูก็ดูแล้วทำไปทำไปนะหนูก็สับสนงงฮะล่วงนี้เลยแล้วแล้วแล้วหลับก็ได้ไวเฮ้ยเราทำมาสั่งเ n าหยุดเอ้ จะเอามว้ตายเป็นตายไหมไหวนั่งใหม่เออแล้วก็ดูลมอย่างเงี้ยมันก็ไอตัวนี้มันก็แยกนะเวลาดึงมันจะแยกมันมันจะสูงขึ้นอ่ะคือข้างในอ่ะมันอ่ะมันจะทิ้งไอเนี้ยอ่ะมันจะมันจะสูงสูงสูงเลื่อนขึ้นไปทีละหน่อยละหน่อยแล้วตามลมอ่ะเพราะว่ยาวกว่ายาวสั้นกว่าสั้นตามมันไปเรื่อยอ่ะมันจะตั้นมันจะผีมันก็เลื่นไปเรื่อยผีผีหนูก็ น้มันกระทามเาอยู่ตรงจมูกจมูก่จมูกแล้วนมักระทามมันน้มันกระทามเอูนนี่ก็ดุบมึนูเลยเื่องรมันเป็นสวะาว่างมันเป็นสว่านมีความรู้สึกก็เป็นสว่านพอพักเอะนี่มันทำไมมันเชื้อเก่ามาอีกหรือมั้งจะต้นปุบปุบปุอีกบหรอมั้งหรืเชื้อเก่ามันมาแหมมันต้นมากเลยหนูก็เลยจับลมทำนมักระทาใหม่ทีนี้่จับท้งหกมีคนตบหัวนะตบหัว ตัวห <Wow S 2> like, ัวนี่ตึงดิ้นเลยเพราะตัวหัวตงดิ้นแล้วทีนี้ก็มีมือมาแตะแต่ที่แี่ขาหนี่ที่หนูนั่งมันมันเหมือนไฟโดดดูดิ้นขึ้นบนเลยมีแตะอะไรอ่ะมือนะห้ามือมาแตะมีมีความแบบไฟแรงสูงไฟแรงสูงฮไฟไฟแรงสูงมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะดูดิ้นขึ้นไปข้างบนเลย นี่สายเอเอดอกบัวไปที่เวงวังดอกบัวใหญ่เป็นเล่มเลยเป็นดอกบัวตูมลอยมาเลยลอยลอยมาหนูก็มองดอกบัวก่อนงงมอนะก็มองก็หนูบอกขอบารมีพุทธเจ้าด้วยขอบารมีพระพุทธเจ้าขอบารมีหล่อด้วยนะขอทำไมขอทำไมก็เขาบอกมาที่เวงวังขอบารมีอ๋อวันนี้จะไหนนะอ่าหัดอกบัวออยมอยมา ก็ค่อยแยมตัว่าใหญ่จริงๆแล้วขาวออขาวแบบชัดเลยอะ่ะก็โ่้โหเป็นขาวอ่ะขาวอะ่ะแนี่ก็ก็ย้อนทีนละหน่อยละหน่อยก็เป็นหนึ่งพ่อนะนะแต่ไม่ไม่ใช่ภาพนี้นะออภาพแบบว่าท่านท่านผอมกว่านี้ อ, อ๋อผอมฮใส่ใส่ใส่แนตานะสีเหลืองสดใสนะยิ้มให้หนู ดอกแมะตอนที่ดูดอกบัวบานหนึ่งเฮ้ยหนึ่งประทับใจตอนแก้วเลยนะสวยจริงๆเออตอนที hmm. mm ่จะบานนะนะทีละข้างของเขาอ่ะมันบุดมาอ่ะทีละชั้นอ่ะเป็นหลวงพ่ออยู่กลางดอกบัวหนูว่าหลวงพ่อเช่วยหนูด้วยที่หนูว่าหลวงพ่อช่วยหนูด้วยที่พอหนอดูแบบมันช่วงระยะเามันนานเหมือนกันนะดอกบัวแล้วทีนี้ก็เป็นหลวงพ่อท่าเยือน โอ้ท่านใหญมากโอ้เท้าท่านเป็นล่มเลยอ่ะมันมันเป็นเม็ดเลยเหรอโอ้โหขยุ้มให่ข่ายีน่ะเหมือนกาบแต่กับพีเท้าทชาเลยนะกาบแล้วก็ร้องด้วยกาบแล้วก็ร้องกาบพี่มันเป็นเล้ยๆหุ่นเลยมันใหญ่อะมันตับป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าร๊าป๊าป๊าปัาป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊ัป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าาป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า มันมันบอกไม่ถูกมันก็ร้องใหญ่เลยพอพอล้องร้องมาหมากร้องมาเข้าคือพ่อหายเลยคือพ่อหายเลยกายเมื่อมาม า, มาเห็นหนุ่มตู่สุกกับหลงตูต่ปลาลอยมาโอ้ยหลงตู่สุกรอยลอยลอยมาแล้วหลงตูต่หลื่อมกันหน่อยนะเวลาลอยจะไม่เสมอกัรในเวลามาแต่หลงตู่สุกถึงเห็นว่าผ้าสีเหลืองนี่จะเป็นพัน ูปานนี่ยกำนืสดใสมากเลยแบบสองอค์นี้จะไม่เหมือนกันนะอที่เห็นนะท่าปะนะลอยนะหรือว่าแตู่ก็ไม่เคอเจอลูกปูสดเลยแต่ว่าลูกปูปลาช่วยหนูด้พาหนูไปพัฒนาจุลามณีทีตหนนี้ยังไม่ถึงจุาอยางเลย่าเวไปพัฒนาจุามณีพอโดยถึงเจท่านช้าหมาล่าทั้งสี่เลยเ้เที เจท่านเท้าหมาล่าได้สิรู้เลยว่าเป็นท้าหมาล่าโหก็ตั้เต็มทัวร์ดาวโหแล้ววาวดีอะไรทั้งนั้นเลยอะสี่องค์เรียงเลยพอพะเรียงเสร็จหนูก็กราบท่านทีนี้หนูก็มาได้สังเกตว่าทรายเราพนหนูเงยขึ้นมาท่านสูงอะหนูก็เงยดู่ะหนูหนูเล็กอะเออเอทีนี้หนูก็มองเท้าเวสุวันณท่านแยกเขี้ยวข้างในอะปึ๊น มันมีภาพลอนะภาพสวยแล้วแต่ข mm ้างในท่านแยกเขียวเจ้อ่านั่นเขาไปสุวรรณีมาเห็นาแต่แยกเขียวเขาไปสุวรรณแน่เลยแต่ทีนี้ก็อธิษฐานเคารอเปที่น้องกันมาอะอย่างเงี้ยาิตนี้ต่นั้นงอว่าละ๋วะกาท่านถึงว่าการนี่นแอลขอท่านทั้งงานราทั้งสีพาพระพักตรามาหน่อยให้เขามาหาราชทศจุฬาเนี่ย ผีก Dante, asure, Safe, ido, o, oh ็ตาล้ว oh. ล um, ่ะเห้ยตายต้องงา้นไม่ไปสักทีเอ้ยทำไมเหรทำไมไม่ไปสักทีวะเอ้ยตายก็ไหนก็ไม่ไปผีผีที่นู่นพัทจุลามันมีแล้วใช่ไหมนะเห้เห็นดับเลยเห่าก็ลายไปทั้งนั้นไ่ทีก็ไม่ไปงงใจยังงอ่ะตายสูงขึ้นอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ไปว่าไม่ไปพัทจุลามันอย่านี้ขอไว้ท่านปู่ท่านย่าก็แล้วกัน ก็ไปกลาวถ้าถูกท่านยาท่านกระสงเครื่องนะแบบสวยอะแบบเดวดามีม่อะไรวท่านแบบแต่งแบบนี้แอแต่โอ่แกแต่งสวยนั่นแบบผ้ามันแบบเนื้อผ้าแล้วมันมันมันมแบบมันบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกแล้วแบบไม่ต้องบอกเลยสวยมากเลยเนื้อ กัท่านปู่ท่าย่าแล้วท่านก็ลูกลูกลูกหัวแล้วดูก็ลงมาไมู่จาอะไรบ้างเลยเหรอไม่พูดเลยเลยไม่พู้เลยดูก็ลงมามาที่ไหนข้างล่างวันศุกร์ดูได้วันศุกร์พอที่พูดในเรื่องวันศุกร์วันศุกร์ไตกลงยังไม่ถึงเจ้าลเนี้ยถึงได้แต่มือถึงได้ตอนที่ให้ท่านเท้ามหาลักษณ์พาไปอ่ะที่ท่านไปหนูคิเว้าตรงนั้นแหละคือพระจุลามณี ออความจริงมายืนอยู่ตรงนั้นแล้วหนูนั่งตาอยู่ให้พาไปอะแต่หนูไม่เห็นแว็บพระเพียร์หนูอยากจะดูว่ามันต้องแวบมากอะคนอื่นเขาไปเขาแวบเขาแว็อหนูได้พาไหมาะที่หนูว่าเออเราโง่ไปหน่อยไปเสียท่าอีกองที่จะไปแต่พระจุลาบณีเลยไม่ได้ไปเที่ยวพิิพานเพราะว่านั่นแหละคือพระจุลาบุญนี่แหละจะได้วันศุกร์วันศุกร์แล้วนี็วันศุกร์เราบอวันเสาร์กูได้แน่นอนแล้วกูรู้ทางออกแล้ว ทีนี้ก็มันเสาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะหายท้องกัวไปถูกเพื่อนไม่หงายดีกว่าไม่หายดีกว่าเอารู้ด้วยมันจะแต่มันหายเต้นนะมันไม่เต้นนะลุงมันไม่เต้นมันมันดึงดๆๆดึงดึมันจะหายบุกยกกลับมารอกกลัวจะไปถูกเพื่อนกวถูเพื่อนหรือวแล้วเออตวกี้วันอาทิตย์หนูก็ไม่ได้เรายกว่าอุพ่อหนูแมาแต่บรรยายบอกเรอก เพนูมไม่ได้หนู ม, มาได้วนลนอาิตตอนเย็นตอนคืนอตอนคืนวนนี้หนูก็ท่องหนูก็ดื่นนแบบนั้นน่ะ<อ>น้ำมนต์ไหลลงมาที่หนูนะที่ตาก็ที่ตะกี<อ>จ้จับใ จ, จ, บใจดูดขึ้นไปอีกแหละอ๋อน้ำมนต์ดูดได้เออเย็นแบบเย็นมากแป๊ดแล้วหนูก็ขึ้นไปก็แหละขึ้นไปแล้วก็ไปกราบสเ<อ>มเด็จองพระถึงกราบหลายอย่างกันนะ กาบาบกาบแล้วหนูก็ลงมาใช่ไหมรปจุฬ า, ามี้ได้ยังไงขึ้นได้แล้วโอ้ไปห่วงแล้วนี่ก็สองทุ่มยี่สิบนาทีนะอาจารย์ครูจบเลยครับหมดแล้ <c oughs> เออเป็นตัวอย่างที่ดีมัทชายกำลังใจสูงเข้มแข็งดีนี่เพราะว่าพอมีสมาธิแล้วก็พาให้ฉล า, าดทุกอย่าง ที่เขาบอกว่าเดินเหมือนตัวลอยอะโอ้ยเขียนนอยอ๋อคะแนนดีแใจหรือว่าใครเต้นเต็มกาลังอ้านนที่ที่ที่เดินไปที่ว่าไปที่พิหารอะไรแบบนี่ตัวนี้เรียกว่าอารมณ์ทรงฌานอารมณ์ฌานทรงของสมาธิี่ิบาอีกจีหัวตรงนี้นะที่มันตัวยังก็ลอยแต่อะไรก็มีสมาธิที่ปัญญาุญาณก็ปรากฏที่เห็นหมาในล่างของคนนั้น ติปุยางก็ปรากฏขึ้นตอนนี้เรียกจากุยานแล้วอเออดีเป็นตัวอย่างที่ดี่ว่าใครพูดมามันก็หลุดไปนี่ เ, ออเพราะ ม, ม, มันไม่เข้าไปริจิตมันแค่รู้ได้ยินเสียงมันก็ผ่านไปที่ก็ใครจะว่ายังไงยังไงก็ช่างเนี่ยอารมณ์จนนั้นคืออารมณ์ของสมาธิที่เขาทรงฌานอยู่ละใครด่ามาอะไรมามันไม่เข้าไปขังมันลายหูบอกเกาะข้างหูไปเลยผ่านไปเลยอารมณ์ไม่เกาะ นี่พระองค์ผู้ทรงชั น, ชนคือว่าเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังเยอะที่คุยอย่างนี้เพราะคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ดีับโดยสัเกตดูสรุปแล้วเนี่ยก็ไลม่มาตั้งแต่ปีสามห้าเพื่อนได้แล้วตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วก็ไปควันอยากจะไปจุฬามณีแล้วก็ล้มลุกคลุกคานกันมาก็สัเกตดูว่าเรียบเทียบก็แก้ไขด้วยตัวเองด้วยอาศัยความรูด้ด้วยแล้วก็ ตั้งใจมากไปไปีที่แล้วเนี่ยถ้าว่าแข้งไม่พูดไม่จาไม่อะไรจินมือเดียวนี่ก็พอมาปีนี้เราก็แก้ไขจุดได้ออก็ควาผ ม, ผมหวังนี่เราก็เป็นอุทาหรณ์ในการปฏิบัติทมเนี่ยต้องเดินสายกลางหมายถึงว่ามัชชิมาปฏิปทาไม่ไม่ไม่จะอยู่อาการภายนอกมาอยู่ที่จิตของเราจิตสบายนะตรงๆก็ ได้เวลา2องทุ่มสิบแล้วก็ไปกันนะโยมเดี๋ยวจะตื่นสายพาจะอดแหมนูกจะเป็นห่วงโยมด้วยอีกนะเอาทุกคนหน้าเป็นปลาเถอะกายกลาบปลาเนี่ยครับอระหังตัมมาตัมุมโตภะคะวะโกสังภะคะวันตังอภิวาเทมม สวากาโตภควาตาธัมโมธัมมังนะมัสสาวมิสุปติปันโนภควาโตสาวะกะสังโฆสังขังนะมามิอ่ะจบดีทุกคนละ รวยชาตินี้นิพานชาตินี้โดยทั่วหน้ากันส่่นคนเทินวัสดีครับ